ธรรมะที่เราเพิ่งสาธยายม่สักครู่นะเป็นคําสอนที่สำคัญมากเปรียบแล้วก็เหมือนกับแผนที่สู่อิสรภาพนะอิสรภาพจากความเกิดแก่เจ็บตายความพัดพรากอิสรภาพจากความทุกข์นะ ถ้าเราได้พิจารณานะมันก็จะพบแผนที่นะสำหรับนำทางชีวิตของเราอย่างน้อยๆก็ทำให้ความทุกข์ที่รุมเรา้าจิตใจเราลดน้อยลงถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถเป็นอิสระภาพเป็นอิสระจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง ถ้าเราพิจารณานะอย่างไครครวนก็อย่างน้อยๆก็ช่วยให้ตาสว่างขึ้นนะตาสว่างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราได้เห็นกลลวงนะของบางสิ่งบางอย่างนะแต่มันทำให้เราได้เข้าใจโลกและชีวิตดีขึ้น หรืออาจถึงขั้นทะลุ ป, ปรุก ป, ปรงนะอันนี้แหละคือคำสอนที่ทำให้เกิดภรรยเจ้าขึ้นมาเริ่มต้นที่ท่านอัญญากนทัญญนะหรือท่านกนทัญญนะเป็นเสมือนกับการเขียเอาทุลีในดวงตาของท่านออกมานะ หลังจากที่ได้ภาคเพียรพยายามเพื่อหาหนทางแห่งความหลุดพ้นนะก็ไม่พบนะจนกระทั่งพระพุทธรได้สาธิยายนะความจริงแล้วก็วิธีทางสู่ความพ้นทุกขนะ์ท่านก็เกิดดวงตาเห็นธรรมนะอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถจะมีดวงตาเห็นธรรม อย่างท่านโกนธัญญาได้นะแต่ว่าก็เอามาใช้ในการทําความเข้าใจ เ, เกี่ยวกับชีวิตของเราได้โดยเฉพาะอย่าง น, น้อยก็เกี่ยวกับความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นกับเรามาแล้วหรือกําลังเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าถ้าเราเข้าใจ ความทุกขนะ์อันนี้ก็เท่ากับว่ามีปัญญาเกิดขึ้นแล้วกับเรานะมันมีคำพูดนะที่เป็นสำนวนที่พูดกันบ่อยนะเป็นข้อความของซุนวูนะซุนวูนี่เป็นเป็นปราชญ์นะเป็นนักรบนะชาวจีนนะเขียน ตำราพิชัยสงครามซึ่งในวงการธุรกิจหรือวงการทหารก็ยังศึกษาอยู่ทุกวันนี้แลวข้อความหนึ่งที่รู้จักกันกว้างขวางคือว่ารู้เขารู้เรานะร้อยศึกก็บ่อพ่ายนะเวลาทําศึกสงครามเนี่ยถ้าจะไม่แพ้ก็ต้องมีความรู้นะรู้เรา แล้วก็รู้เขารู้เขานี่คือรู้จักศัตรูอย่างท่องแท้ทรลุ ป, ปุโปรงแล้วก็รู้เราด้วยนะก็จะช่วยทำให้สามารถชนะศึกสงครามได้ในการที่จะเอาชนะความทุกข์เนี่ยเครื่องหนืงองความสำเร็จก็คือต้องรู้จักความทุกข์เพียงพอหรือว่าแจ่มชัด ด้วยเหตุนี้แหละพระเจ้าจึงตรัสในคำสอนที่เราเพิ่งสาธยายเนี่ยว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะหรือท่านใช้คำว่ากำหนดรู้มาจากคำว่าป ร, ญญาปริญญาปริญญาปริญญาทางโลกเนี่ยเขาให้เมื่อเรารู้สิ่งนอกตัวตั้งแต่เล็กที่สุดคืออะตอมเซล์ไปจนถึงจักรวาล หรือว่ารู้โลกแต่ว่าปริญญาในพุทธศาสนาเนี่ยไมต้องรู้มากนะเอารู้แค่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราก็มีข้อความที่สาธยายถึงความทุกข์ไว้สิบสองแบบนะเริ่มตั้งแต่ความเกิดก็เป็นทุกข์นะความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แล้วก็ไปจบลงที่ว่า ว่าโดยยออุปาทานขันตั้งเป็นตัวทุกข์อันนี้เราสาธยายแล้วเราสวดไปก็อาจจะดูมันธรรมดานะบางคนจะนึกว่าโ อ, อ้ไม่ต้องไม่ต้องสวดก็รู้อยู่แล้วนะไม่ต้องอ่านก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะรู้แบบผันผ่านเพลินเพลินก็ได้ยกตีวอย่างเนี่ยที่ ท่านพูดว่าการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพัดพลากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เนี่ยนะแค่สองข้อนี่นะพิจารณาดูให้ดีความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับเราที่เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกนะ 7,000 ล้านคนก็หนีไม่พ้นสองข้อนี้แหละประสบกับ สิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจกับพระพราจากสิ่งที่รักที่พอใจนะนะทุกข์เพราะเจ็บป่วยนะทุกข์เพราะถูกโกงทุกข์เพราะลมละลายทุกข์เพราะถูกตำหนิติดเตียนหรือเพราะสูญเสียคนรักเนะพราะไม่มีคนสารเสริญ น, นะไม่มีคนกดไล้์ให้นะแค่นี้ก็ ทุกลนะความทุ่งคนเราเนี่ยทั้งมวลนะโดยว่าความทุกข์ใจเนี่ยก็หนีไม่พ้นสองข้อนี้และถ้าเราพิจารณาต่อไปก็จะมีข้อที่น่าสังเกตนะว่าทั้งสองประการเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนหนึ่งเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับเราเหตุการณ์นั้นได้แก่การประสบนะประสบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าการพลัดพลาดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกส่วนนั่นคือความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้นเช่นรักพอใจหวงแหนหรือว่าไม่รักไม่พอใจนะอาจจะถึงขั้นเกลียดชังถ้ามีแค่ครึ่งเดียวนะก็คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้น มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นได้ไปเจอกับบางสิ่งหรือได้พลาดพลากจากบางสิ่งแต่ถ้าเกิดสิ่งนั้นนะเราเฉยเฉยก็คือว่าไม่ได้ชอบไม่ได้รักไม่ได้หวงแหวนแม้พลดพลากไปใจเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมความพลดพลากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทำให้เราทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อ เรามีความรักเรามีความพอใจเรามีความหวงแหนสิ่งนั้นถ้าสิ่งที่ถูกโกงไปถูกทำลายไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสิ่งที่เราหารวงแหนเราก็เฉยเฉนะยนะรถยนต์ถูกเผานะแต่ถ้าว่ามันไม่ใช่เป็นรถของเราหรือว่ามีคนเจ็บคนป่วยแต่คนนั้นไม่ใช่คนที่เรารัก เราก็ไม่ทุกข์หรือว่าเกิดถนนนะมันถูกทำลายสมบัติสาธารณะนะถูกลักขโมยไปเช่นสายไฟฟ้านะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลักไม่ได้หวงแหนอะไรเราก็ไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจในถนงเดียวกันประสบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่า สิ่งนั้นเราไม่ได้เกลียดชังเราไม่ได้จิงชังรังเกียจนะก็ไม่ทุกขนะ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมันมีสองสิ่งมันมีสองปัจจัยมาประกอบกันก็คือหนึ่งเกิดความพัดพราาขึ้นแล้วสอง เกิดความพรดพลาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นและสองสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรารักหรือไม่ก็เกิดการประสบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบมันองมีสองปัจจัยจะเรียกว่าภายนอกกับภายในก็ได้หรือปัจจัยที่ชื่อว่าเรียกว่าเหตุการ์จะเป็นความประสบหรือการพัพลาและสองคือความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้น คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักนะในเรื่องนี้นะก็คือว่าคิดว่าความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อมีการพัดพรากนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราด้วยว่าเรารู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรไอ้สิ่งที่พัดพรากหรือว่าสิ่งที่เราประสบเนี่ยเรามีความรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรชอบหรือไม่ผู้คนส่วนใหญ่เวลา พยายามป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นก็าทำยังไง ก, ก็พยายามที่จะหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการพัดพลาดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นหรือว่าทางป้องกันไม่ให้ประสบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นไม่ประสบกับความเจ็บความป่วยนะพยายามรักษาสุขภาพให้ดีแต่ลืมไปนะว่าไอ้ความเจ็บความป่วยเนี่ยถ้าหากว่าแม้มันจะเกิดขึ้นหรือ เกิดการประสบขึ้นมาแล้วนะแต่ถ้าเราเฉยๆกับมันนะไม่ได้ชิงชังไม่ได้รังเกียจมันก็ไม่ทุกนะหรือว่าการพัดพรากนะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะเข้าของเครื่องใช้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักไม่ได้หวงแหนไม่ได้ยึดติดในสิ่งนั้นก็ไม่ทุกนะ คนส่วนใหญ่เนี่ยพยายามแก้ทุกพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ทุกข์ด้วยการทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดความพัดพรากความสูญเสียนะแต่ว่าลืมที่จะกลับมาดูที่ใจของตัวแล้วก็หาทางป้องกันว่าเออทำยังไงนะเราถึงจะไม่มีความผูกพันห่วงแหนในสิ่งนั้นมาก เพื่อว่าแม้จะสูญเสียมันไปใจก็ไม่ทุกข์หรือทํายังนไงเมื่อเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกนะเป็นกลางๆ ก, กับมันหรือว่าเห็นมันเป็นธรรมดานะไม่ชิงชังรังเกียจมันไม่พลักไส้มันในการที่พยายามไปป้องกันไม่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพัดพราดไปจากเราเช่น ปลูกบ้านก็พยายามนะสร้างกำแพงให้แน่นหนามั่นคงเพื่อจะไม่ให้โจรมากออกนะรักเอาไปนะหรือพยายามดูแลใจใส่สุขภาพนะเพื่อไม่ให้ความเจ็บความป่วยบังเกิดขึ้นกับเราอันนี้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าอย่าทำเพียงเท่านี้นะนอกจากจัดการกับสิ่งภายนอก ป้องกันไม่ให้มีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นกับเราหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดความพัดพรากสูญเสียแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาฝึกจิตฝึกใจหรือกลับมาดูแลจิตใจของเราด้วยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยไปสนใจแต่ไอ้สิ่งข้างนอกนะเวลาทำบุญก็พยายามอธิษฐานนะว่าขออย่าได้นะ เกิดความสูญเสียพัดพรากขออย่าได้ประสบกับความเจ็บความป่วยนะความติชินนินทานะหรือว่าขออย่าได้เจอนะกับความล้มเหลวนะขอให้พบแต่โชคขอให้ประสบแต่ละาลาบและความสุข แล้คำอธิษฐานร่อนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่อธิษฐานมันก็ยากที่จะสำเร็จนะแต่ถึงแม้มันจะสําเร็จได้ด้วยอำนาจของแรงอธิษฐานมันก็ไม่ได้แปลว่าจะทําให้ไม่ทุกข์หรือว่าจะทําให้มีความสุขนะเพราะว่าคนที่ได้โชคได้ลาบนะแต่ว่าเขาไม่มีความสุขก็มี เพาะเาอยากได้อยากได้เพิ่มอยากได้อีกนะได้โบนัสเป็นล้านนะก็ยังไม่มีความสุขนะหากว่ามีความอยากจะได้อีกหรือว่าเห็นเพื่อนเขาได้มากกว่าเรานะเราก็เกิดความไม่พอใจขึ้นแต่ว่าถึงแม้จะเจอความเจ็บความป่วยนะเจอเคราะหนะ์เจอความสูญเสียแต่ถ้าากว่าเรา รักษาใจดูแลใจให้ดีนะมันก็ไม่ทุกนะเช่นเรามองว่เออมันเป็นธรรมดานะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นธรรมดาโลกนะในโลกนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่ได้มาก็ต้องเสียไปเราเกิดมาตัวเปล่าสิ่งที่เหลือเนี่ยคือกำไรสิ่งที่ตามมานี่คือกำไรนับตั้งแต่เสื้อผ้านะความรู้นะ ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตยศถึงเวลาเราก็ต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปแม้กระทั่งความรู้แม้กระทั่งความจำก็ต้องอทิ้งไปนะบางทีมันหมดไปก่อนที่จะแก่ด้วยซ้านะคือเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวนี้แค่40กว่าก็อัลไซเมอร์เป็นก็เกิดขึ้นแล้วนะความจำหายไอความรู้ที่ได้มาทั้งหมดนี่มันก็หายไปหมดนะ ก่อนที่จะตายด้วยซ้ำหรือก่อนที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่มีทั้งหมดเนี่ยเมือ่อหลังจากเกิดมาจากท้องแม่ก็ต้องคืนคืนให้โลกไปหมดแม้กระทั่งร่างกายที่ได้มาจากแม่ได้มาจากพ่อเนี่ยก็ต้องคืนให้กับโลกนะไม่เหลือเลยนี่เรียกว่าอะไรที่ได้มามันก็ต้องเสียไปอะไรที่มี ทั้งหมดก็ต้องหมดไปเจอใครก็ต้องจากพบใครก็ต้องพลากนะพอเห็นความจริงแบบนี้เขาเออมันก็เวลาได้อะไรมาก็ไม่ยินดีเพราะรู้ว่ามันเจือกับเราเพียงชั่วคราวครั้นเสียไปก็ไม่ยินร้ายนะหรือว่าไม่รู้สึกต่อต้านพลักสายมัน นะไม่บทไม่ตีโพยตีพายเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้ น, นคาว่าการป ร, ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีเนี่ยมันก็จะรู้ว่าถ้าเราอยากจะทำอยากจะเอาชนะความทุกข์หรือว่าไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นกับเรานอกจากการ ป้องกันไม่ให้เกิดการพลาดพลาคสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือป้องกันไม่ให้เกิดการประสบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลจิตใจของเรานะอะไรเกิดขึ้นนะที่ดูเหมือนที่แม้ว่าจะให้ความสุขกับเราเราก็ไม่ได้ยินดีไม่ได้ชอบใจลงไหลมันมากเพราะรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยง ที่จริงสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราลหลงไหลเนี่ยมันไม่ได้สร้างความทุกขให้กับเราในยามที่มันเสื่อมสลายไปในยามที่มันพัดพรากจากเราเท่านั้นนะแม้ขณะที่มันยังอยู่กับเรานะีมันก็ทําให้ทุกข์ได้นะนะทุกข์ที่ต้องคอยดูแลรักษาทุกข์ต้องคอยที่ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ใครมาเอาไป แล้วถ้าเราดูให้ดีเนี่ยสิ่งที่เราชอบเนี่ยทุกอย่างเลยเนี่ยมันสามารถจะเป็นอันตรายต่อเราได้เสมออันนี้ไม่ได้พูดเฉพาะหมายถึงเฉพาะคนที่ชอบกินเหล้าชอบเล่นการพ น, น, นันนะชอบสูบบุหรี่เท่านั้นนะแม้กระทั่งการชอบในสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดานะเช่นชอบน้ำตาล น, นะชอบชอบไอศคมชอบช็อกโกแลตเนี่ย หรว่าชอบสบายเนี่ยอะไรที่เราชอบเนี่ยเราก็มักจะเสพมันเยอะๆนะถ้าเสพมันเยอะๆเป็นยังไงกินน้ําตาลเยอะๆนะกินช็อกโกแลตเยอะๆกินไอติมเยอะๆนะมันโรคภัยก็ถามหาชอบความสบายนะไม่ค่อยออกกําลังกายก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะชอบอะไรก็ตามเนี่ยชอบฟังเพลงนะก็ฟังอยู่นั่นแหละจนกระทั่งไม่เป็นอันทํางาน นะสิ่งที่เราชอบเนี่ยถ้าเราชอบแล้วไม่รู้จักประมาณเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้อาจจะทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจด้วยคนเราเนี่ยมักจะระวังคอยป้องกันไม่ให้เจอสิ่งที่เกลียดนะแต่ไม่ค่อยได้เห็นโ่ษของสิ่งที่เราชอบแม้กระทั่งชอบความสงบเนี่ยนะ ถ้าชอบมากๆก็เป็นปัญหานะเพราะว่าจะเป็นคนทุกข์ง่ายนะเจออะไรก็เจอเสียงนิดเสียงหน่อยก็ไม่พอใจแล้วนะชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนะี่ยชอบมากๆนี่พอเจออะไรที่มันไม่เป็นระเบียบนี่ก็ทุกข์แล้วเกิดความหงุดหงิดกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายคนเรามักจะเห็นโทษของสิ่งที่ตัวเองเกลียดนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นโทษของสิ่งที่ตัวเองชอบนะ เพราะการชอบมากๆนี่แหละที่มันทำให้เป็นนาไปสู่การเสพโดยที่ไม่รู้จักประมาณหรือทำให้เกิดการติดยึดขึ้นมาพอสิ่งที่ติดยึดนั้นมันแปรเปลี่ยนไปหรือว่ามันไม่เป็นไปดังใจค้า น, นี้ก็ทุกข์แล้วชอบความสะดวกเรวดเร็วนะแต่พอมันเชื่องช้าขึ้นมานะซึ่งมันเป็นธรรมดาโลกนะก็ทุกข์และงดเงิยแล้วจะว่าไปคนเราทุกข์ก็เพราะไอ้ความชอบนี่แหละ เพราะว่าเจอสิ่งที่ประสบกับสิ่งไม่มันไม่เป็นไปอย่างที่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเวลาเราไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นเนี่ยอย่ามัวแต่หาทางป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ชอบขึ้นมาหรือว่าต้องหาทางพยายามที่ทำให้เจอสิ่งที่ชอบเยอะๆต้องกลับมาดูที่ใจของเราว่า การที่เราชอบหรือชังนั่นแหละมันก็คือตัวทุกตัวปัญหาหรือตัวทำให้เกิดทุกข์เหมือนกันลองมาแก้ที่ตรงนี้ดูบ้างเจอแดดร้อนะ dad, Ron, เออให้เราตระหนักว่าที่ทุกเนี่ยที่ทุกใจเนี่ยเพราะว่าใจที่ไม่ชอบนะอาจจะเป็นเพราะกลัวว่ามันจะทำให้เป็นสิวเป็นฝ้าหรือว่าไม่พอใจที่มันทำให้นะ ให้ร้อนน้าเพียงแค่เราทําใจให้เป็นกลางๆนะมันแดดมันจะร้อนก็ช่างมันนะเราก็ไม่ทุกขนะ์อาจจะร้อนกายแต่ใจไม่ทุกขนะ์อันนี้ไม่เฉพาะแต่สิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแนะม้กระทั่งสิ่งที่กระทบทางใจนะความเบือ่อนะความความน่าย ความเหงาเกิดขึ้นกับหลายคนพอมันเกิดขึ้นทีไรก็ไม่ชอบก็พยายามผลักสายมันแล้วนักรีทําให้ทุกข์ไปใหญ่แต่ถ้าลองทําใจเป็นกลางๆงดูเออมันเกิดขึ้นก็ก็ไม่ต้องผลักสายมันแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่สนใจมันนไม่ต้องผลักสายมันแล้วก็ไม่ต้องไปต่อสู้อะไรกับมันนมันก็ทําอะไรใจเราไม่ได้นะ อันนี้ถึงลวนถึงความโกรธความเกลียดด้วยนะนักปฏิบัติธรรมหลายคนก็ไม่ชอบความโกรธความเกลียดนะเกิดขึ้นในใจเรามันทําให้เรานะรุ่มร้อนหรือว่ามันทําให้เราเสียเซลล์รู้สึกเสียเซลล์ว่าทําไมคนดีนี่เขาไม่โกรธกันคนดีเขาไม่เกลียดกันแต่พอมันเกิดขึ้นในใจแม้กระทั่งความอิจฉาริษยาความพยาบาทก็รู้สึกแยวทําไมใจเราเป็นอย่างนั้น รู้สึกว่าเราดีไม่พอนะก็พยายามไปกดข่มมันนะยิ่งชิงชังมันเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งรบกวนรังควานจิตใจเราแต่พอเราลองทําวางท่าทีหรือว่าทําใจเฉยๆดูบ้างเออจะเกิดก็เกิดนะเพียงแค่รู้ว่ามันมีอยู่ที่ใจนะไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแล้วก็ไม่ต้องสนใจมันนะจะอยู่ก็อยู่ไปนะเดี๋ยวมันก็หายไปเอง จะยิ่งพยายามไปผักสายพยายามไปกดข่มพยายามไปรนะวมรันพันตัวกับมันใจก็ทุกข์นะทุกข์ตั้งแต่ตอนที่รู้สึกไม่ชอบมันแล้วความฟุ้งซ่านกับมันกันนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็อยากให้ใจมันสงบไม่ฟุ้งซ่านพอมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ไปพยายามไปกดข่มมันนะทํากับมันเหมือนกับเป็นศัตรู พอแค่คิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้เข้าใจก็ทุกเลยแล้วยิ่งพยายไปกดข่มมันเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมไปที่จริงกลับส่งผลตรงข้ามคือว่ายิ่งกดข่มมันยิ่งต้านมันยิ่งโผยิ่งผุดยิ่งรังควานแล้วลองทําใจเป็นกลางๆดูนะอออย่างที่หลวงพ่อคําเคียร์หลวงพ่อเทียนสอนนะให้รู้เฉยๆรู้สื่อๆนั่นแหละคือว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะ ไม่ชอบไม่ชังนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้แม้เวลาเจอคำติฉินนินทาว่าก่าวใจแล้วก็เป็นกลางๆนะไม่หลังเก็บผักสายมันก็ไม่ทุกข์ใครก็จะว่าอย่างไรนะหรือว่าได้ยินเต็มสองรูหูนะแต่ว่าก็ไม่ทุกข์ใจบางทีก็ต้องอาศัยความทนนะใหม่ๆก็ต้องอาศัยความอดทนอดกลั่น ได้ยินเขาว่าได้ยินเขาตำหนิก็ต้องอดทนอดกลั้นนะแต่ที่ต้องอดทนอดกลั้นนี่ก็เพราะว่าใจไม่ชอบนะแต่ก็รู้ว่าถ้าถ้าโกรธไปหรือว่าถ้าดุดาตอบโต้มันจะเกิดเรื่องขึ้นมาก็ต้องอดทนเอาไว้แต่ต่อไปถ้าเราทำใจถึงขั้นว่าเออมันเป็นธรรมดาเรารู้สึกเฉยๆกับคกับคำ วิจารกับคำตอบว่าด่าทอไม่รู้สึกจริงชังมันแต่เราก็จะสงบทันทีเลยก็เมื่อกสียงดังนะไม่ว่าจะเสียงดังจากข้างล่างเช่นเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสียงดังจากข้างบนเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเกิดดังขึ้นมาถ้าเราไม่ชอบเสียงนะั้นเราทุกทันทีเลยถึงแม้ว่าเสียงนั้นจะเพราะนะแต่ถ้าเราเฉยเฉยมันเออยนะยอมรับมันว่ามันเป็นธรรมดา ถ้ามไม่ได้เกิดก็เกิดไปนะใจเราก็แค่เพียงแค่รู้ว่ามันมีเสียงนี้ล้วก็ไม่ผักสายมันยิ่งผักสายยิ่งไม่ยิ่งไม่ชอมันใจก็ยิ่งยึด ต, ติดนะแต่พอเราเฉยๆกับมันใจก็วางมาลงได้ก็เกิดความเย็นขึ้นมาเนะีนการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก็เพื่อมาจัดการกับต้นตอแห่งความทุกข์นะที่ใจของเรา ไอวิชาความรู้ที่เรามีอาชีพการงานที่เราทําอยู่เนี่ยนะมันก็ช่วยได้ในเรื่องการพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งไม่ดีป้องกันไให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราหรือว่าป้องกันความพัดเพ่าสูญเสียนะเหมือนกับการสร้างกําแพงล้อมรอบเอาไว้อะไรที่ไม่ดีก็ไม่ให้ไข้ไม่ให้เข้ามาส่วนอะไรที่ดีก็ไม่ให้ มีใครมารักเอาไปขโมยไปแต่ว่าท่านั้นไม่พอนะมันก็ต้องฝึกที่ใจของเราด้วยนะให้รู้จักวางใจให้ถูกนะจนถึงขั้นว่าเป็นกลางต่อทุกสิ่งนะเมื่อมันเกิดขึ้นก็ไม่ได้ชังมันใจก็ไม่ทุกข์หรือเมื่อต้องสูญเสียมันไปนะใจก็ไม่ได้หวงแหนยึดติดนะ ก็ไม่ทุกนะเมื่อเกิดความสูญเสียาการเจริญสตินะันก็มันเป็นทั้งบันไดแล้วก็เป็นทั้งเคล็ดลับนะในการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางจิตวางใจอย่างนั้นได้นะมันช่วยพัฒนาจิต ข, ของเรานะไม่ให้นะไม่ให้เป็นตัวการแห่งความทุกข์ อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ทําให้รารู้ว่าอ๋อไอ้ที่ทุกเนี่ยนะมันเริ่มต้นที่ใจก่อนนะหรือว่ามันเป็นผลตามมานะจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันทําให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะกับสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องมันก็สักแต่ว่าเหมือนกับตบมือข้างเดียว ตบมือข้างเดียวนี่มันไม่ดังอยู่แล้วนะตบมือจะดังได้ต้องสองข้างประสบกับอะไรก็ตามนะถ้าใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นนะมันก็ไม่ทุกข์ก็เหมือนกับตบมือข้างเดียวเสียงไม่ดังพัดพรากจากอะไรก็ตามนะถ้าใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นนะไม่ได้หวงแหนไม่ได้ยึดติดความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราลองนะพิจารณาลองมอง นะความทุกข์ของเราในแง่นี้บ้างนะเราก็จะเห็นทางออกเราก็จะเห็นทางที่จะ อ, อยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนะไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีโลกไม่ต้องมาเข้าป่านะอยู่ในโลกอยู่ที่บ้านอยู่ที่ในที่ทำงานก็ยังมีความปกติสุขในจิตใ จ, จได้เหมือนกับที่ผู้จัดเมื่อกี้ที่มีการเปรียบเทียบ ว, ว่าอยู่ในอยู่ในป่าของงูนะ่ ลินงูเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางเขี้ยวที่แหลมคมนะของอสรพิษนะแต่ว่ามันก็อยู่ได้โดยที่ไม่ไม่เดือดร้อนไม่เจ็บปวดนะเขี้ยวงูก็ทําอะไรลิ้นไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของมันการอยู่ท่ามกลางการอยู่ในโลกที่มันพันผวนปลนแปรนะเจอแต่ไม่หนีไม่พ้นความพลดัพลดพรากสูญเสียมัน ไม่ทำให้ทุกข์ได้นะก็เพราะว่านะเรารู้จักวางใจแบบนี้แหละอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าอยู่เหมือนกับอยู่ท่ามกลางเขี้ยวงูนะแต่ว่าก็ไม่เจ็บปวดไม่ทุกร้อนนะไม่เป็นอันตรายอ้าวชานี่ยพูดกันเท่านี้นะอ้าวกราบพะ